ใครก็ตามทำฝังที่มีความเชื่อมีความเห็นในลักษณะนี้ว่าถ้าฉันทํากรรมจะเป็นบุญหรือเป็นบาปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามก็จะต้องได้รับกรรมนั้นเหมือนเหมือนกันกันกบที่ทําถ้าเพื่อว่ามีความคิดมีความเชื่อมีความเห็น อย่างนี้เนี่ยบุคคล น, นั้นจะไม่สามารถทําที่สุดแห่งความทูกได้การประพฤติปฏิบัติของเขาก็จะเป็นสิ่งที่ไร้ผลด้วยเอยฟังแล้วมันดูยังไงยังไงนี่แหละธรรมบ้างคําสอนของพุทธะจึงต้องมีความรอบคอบรัดกลุ่มแม่นยําไม่หลาลวมสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ธรรมบ้างถ้ามีความคมมาก ถ้ามีความรัดกุมมากต้องการจะแยกแยะเป็นประเด็นให้เราสาวกผู้ฟังคำสอนทั้งหลายเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจถึงเรามาฟังพระสุตตัวแม่บทลำบวังที่ได้ตรัสถึงเรื่องนี้เอาไว้โดยยกตัวอย่างอุปมาอุปไม่ที่บอกในลักษณะว่าถ้าใครทำบาปทำชั่วอย่างไรก็ต้องได้รับกรรม ความชั่วความบาปอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยความคิดเนี้ยไม่ถูกต้องเอา้าแล้วที่ถูกมันคืออะไรกันแน่เอ้ฟังดูมันก็สมเหตุสมผลนะคุณทําอะไรคุณก็ต้องได้รับอย่างนั้นเอาแล้วทําไมพระมหาภัยบูนบอกว่าไม่ถูกไม่ใช่จะทําที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้การประพฤติปรมาจันก็จะไม่เกิดผลเอ้มันเป็นยังไงอันนี้ข้าพเจ้าก็ไม่ได้คิดเองนะท่านบุฟัง ก็ลอกตามพระพุทธเจ้ามาก็ท่านตรัสไว้อย่างนี้แล้วการกระทําแบบไหนที่ถึงจะทําที่สุดแห่งทุกได้การประพฤติธปฏิบัติเนี่ยถึงจะมีผลความเชื่อแบบไหนถึงจะถูกต้องถ้าบอกว่าทําบาปทํากรรมอะไรไว้จะได้รับกรรมแบบนั้นแบบนั้นมันไม่ถูกต้องเนี่ยแล้วแบบไหนถึงจะถูกที่ถูกต้องเดิมฝังพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้บอกว่า ทำกรรมอะไรไว้เนี่ยก็จะต้องเสวยผลของกรรมนั้นผลนะคือวิบากเพื่อความชัดเจนดั่งฟังวังเรามาฟังพระสูตรในเรื่องนี้กันพระพุทธเจ้าตรัตถไว้มีคนเขาจำมาสาวะโกในสมัยพุทธกาลนั่นแหละแล้วท่านก็มอบข้อความนี่บอกต่อๆกันมาจนมาถึงในสมัยที่เขาจดลงเป็นบันทึกอักษรเนี่ เขารวบรวบมเอาไว้อยู่ในพระไตรปิฎกส่วนที่เป็นอังกุตรานิกายเล่มที่20สชื่อว่าโลนักกะสูตรถ้ามฟังไปหาอ่านได้เรื่องนี้ต้องคมนิดหนึ่งฟังดูให้ดีโลนักกะสูตรพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดแลพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ทำบาปไว้อย่างไรอย่างไรเขาจะต้อง สวยกรรมนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้การอยู่ประพฤติปรหมจรรย์ของผู้นั้นย่อมมีไม่ได้โอกาสที่จะทําที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบย่อมไม่ปรากฏส่วนผู้ใดผู้หนึ่งพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ทํากรรมที่จะต้องเสวยผลไว้ด้วยอาการอย่างใดอย่างใด เขาก็จะต้องเสวยผลของกรรมนั้นด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นก็ถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้การอยู่ประพฤติปรมาจันของผู้นั้นย่อมจะมีได้โอกาสที่จะทําที่สุดแห่งทุกโดยชอบย่อมปรากฏนี่คือวรรคแรกของประสูนนี้นันดรบังวัลย์อันนี้อ่านฟังแล้วให้เกิดความชัดเจนว่า ถ้าสมมติว่าเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสมมติว่าถ้าเราไปตบยุงถ้าเราไปตบยุงนะอันนี้เป็นการกระทาแน่นอนเป็นกรรมเป็นบาปด้วยถ้าเรามีความเชื่อว่าเออเราทำบาปไว้อย่างไรก็จะต้องได้รับอย่างนั้นอย่างนั้นเอาฉันฆ่ายุงฉันก็จะต้องถูกยุงฆ่าหรือไม่ฉันก็จะต้องถูกฆ่าด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ฉันก็จะต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่า ถ้าเชื่อแบบนี้นะความเชื่อของคุณเนี่ยมันผิดมันใช่ไม่ได้จะไม่สามารถทำความที่สุดแห่งทุกข์ให้เกิดขึ้นได้ฟังให้ดีนะทำฟังนะวรรคที่สองนี่ฟังให้ดีพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลทำกรรมที่จะต้องเสวยผลไว้ด้วยอาการอย่างใดอย่างใดอันนี้หมายความว่าอะไรคำนี้หมายความว่าถ้าสมมติเราฆ่ายุงเราไปตบยุงเนี่ยการตบยุงเนี่ยจะให้ผลอะไรบ้าง การตบยุงจะให้ผลอะไรบ้างการฆ่าสัตว์จะให้ผลเป็นความที่มีอายุสั้นจะให้ผลเป็นความที่ไปตกนรกหรือถ้าทำไว้หนักก็จะไปตกนรกคนที่ทำกรรมคือการฆ่ายุงเนี่ยก็จะต้องได้รับผลนั้นคือมีอายุสั้นหรือไปตกนรกตามอะไรก็ตามวิบากกองกรรมความเชื่อแบบนี้ทำวังมันถึงจะถูกคือไม่ใช่ว่าจะต้องไปให้ถูกเาขาฆ่า นั้นมันเป็นการกระทมที่ตอบกลับกันทันทีทันใดแต่ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสในที่นี้คือคำว่าวิบากหรือแปลว่าผลผลของกา ร, รอย่างใดอย่างใดที่จะเกิดขึ้นก็จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นให้ตรงผลนี่แหละตํงางว่งที่จะต้องมีการแยกแยะทําความเข้าใจให้ดีเพราะว่าถ้าสงสัยมากเนี่ย มันจะทำให้เพี้ยนได้บ้าได้แต่ถ้าไม่เข้าใจเลยเข้าใจผิดพลาดไม่ได้เชื่อเรื่องผลของกรรมแต่ไปเข้าใจว่าทำอะไรก็ต้องได้รับอย่างนั้นอันนี้ผิดนะแต่ทำกรรมอะไรจะได้ให้ผลอย่างไรคุณต้องได้รับผลของกรรมนั้นอย่างนั้นอันนี้ถึงจะถูกซึ่งผลเนี่ยตัมบังมันมีความหนักมีความเบา มีการให้ผลก่อนมีการให้ผลหลังแตกต่างกันอุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้าท่านได้ยกไว้ในโลนะกะสูตรธรรมวั ง, งแยกแยาไว้สอย่างเรามาฟังพระสูตรนี้กันต่อโลนกะสูตรอังคุตนาติกายเล่มที่20เริ่มต้นที่ข้อ540อ่านให้มันละเอียดละเอียดพระพุทธเจ้าตรัสว่าพิสูจทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ทำบาปกรรมแม้เล็กน้อยบาปกรรมนั้นก็นำเขาไปสู่รกส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อยเหมือนกันแต่บาปกรรมนั้นย่อมให้ผลในปัจจุบันเท่านั้นไม่ให้ผลแม้แต่น้อยในอัธภาพที่สองคือชาติหน้าไม่จำเป็นต้องพูด ถึงผลเป็นนั่นมากก็บุคคลที่ทําบาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อยบาปกรรมนั้นนําเขาไปสู่นรกได้เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญามีคุณน้อยมีอัตภาพน้อยมัก อยู่เป็นทุกข์เพราะผลกรรมเล็กน้อยบุคคลเช่นนี้ทำบาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อยบาปกรรมนั้นก็นำเขาไปสู่นรกได้ส่วนบุคคลทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อยเช่นนั้นแลบาปกรรมนั้นให้ผลในภพปัจจุบันเท่านั้นไม่ให้ผลแม้แต่น้อย ในอัตภาพต่อๆไปไม่จำเป็นต้องพูดถึงผลเป็นอันมากคือบุคคลอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เจริญกายเจริญศีลเจริญจิตเจริญปัญญาแล้วมีคุณไม่น้อยมีอัตภาพใหญ่เป็นอัปปบันนาวิหารีบุคคลเช่นนี้ ทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อยเช่นนั้นแหละบาปกรรมนั้นให้ผลในปัจจุบันเท่านั้นไม่ให้ผลแม้แต่เล็กน้อยในอัตภาพต่อๆไปไม่จำเป็นต้องพูดถึงผลเป็นนันมากพิกสษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุคคลใส่ก้อนเกลือลงในขันใบน้อยพวกเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไร น้ำในขันเล็กน้อยนั้นเค็มดื่มไม่ได้เพราะก้อนเกลือนั้นใช่หรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าเพราะเหตุว่าในขันน้ํามีน้ํานิดหน่อยน้ํานั้นจึงเค็มดื่มกินไม่ได้เพราะก้อนเกลือนั้นพระเจ้าข้าพิกสุตตหลายก็ถ้าบุคคลใส่ก้อนเกลือ ลงในแม่น้าําขงคาพวกเดาทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรแม่น้ําขงคานั้นจะเป็นน้ําเค็มดื่มกินไม่ได้เพราะก้อนเกลือนั้นอย่างนั้นหรือข้อนั้นหาเป็นเช่นนั้นไม่พระชจ้าขาเพราะในแม่น้ําขงคานั้นมีห่วงน้ําใหญ่น้ําจึงไม่เค็มดื่มกินได้แม้เพราะใส่ก้อนเกลือ ลงไปอย่างนั้นพเค่าพิสุตตังหลายก็บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉชนนั้นเหมือนกันแหละทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อยบาปกรรมนั้นก็นำเขาไปสู่นรกได้ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อยเหมือนกันแหละแต่บาปกรรมนั้นให้ผลในปัจจุบันเท่านั้น ไม่ให้ผลในอัตภาพต่อๆไปแม้แต่น้อยไม่จะเป็นต้องพูดถึงผลเป็นอันมากพิสุทธหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทูกจองจําเพราะทรัพย์กึ่งกหาปณาบ้างถูกจองจงาาําเพราะทรัพย์หนึ่งก็หาปณะบ้างร้อยก็หาปณาบ้า ง, าาางส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์กินกรหาปณะนะไม่ถูกจองจำเพราะทัพย์หนึ่งหรือร้อยกหาปณะนะก็บุคคลที่ถูกจองจำเพราะทรัพย์กินกรหาปณ ะ, ะบ้างถึงร้อยกรหาปณ ะ, ะบ้างนั้นคือบุคคลเช่นไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ขัดสนมีสมบัติน้อยมีโภคะน้อย บุคคลเช่นนี้ย่อมถูกจองจำเพราะทรัพย์กึ่งกาหาปณะบ้างถูกจองจำเพราะทรัพย์หนึ่งคาหาปณะหรือถูกจองจำเพราะทรัพย์ร้อยกาหาปณะบ้างส่วนบุคคลที่จะไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์แม้กึ่งกาหาปณะหรือถึงร้อยกาหาปณะบุคคลเช่นนั้นคือใคร คือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีพอค่ามากบุคคลเช่นนี้แหละย่อมไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์กึ่งกหาปณะนะไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์หนึ่งหรือร้อยกหาปณ ะ, ะบ้างข้อนี้ฉันใดก็ฉะนั้นเหมือนกันคือบุคคลบางคนทาบาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อย บาปกรรมนั้นนำเขาไปสู่นรกได้ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อยเช่นนั้นแลบาปกรรมนั้นให้ผลในปัจจุบันนี้เท่านั้นไม่ให้ผลในอัตภาพต่อไปแม้เล็กน้อยไม่จะเป็นต้องพูดถึงผลเป็นนันมากปีศาจทลายเจ้าของแก หรือคนฆ่าแกะบางคนสามารถที่จะฆ่าจองจำหรือเผาคนที่ลักแกะหรือทำตามที่ตนปรารถนาแต่บางคนไม่สามารถที่จะฆ่าจองจำหรือเผาคนที่ลักแกะหรือทำตามปรารถนาได้ก็เจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะที่สามารถจะฆ่าจองจำ คนที่ลักแกะได้นั้นเป็นอย่างไรคือเจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะบางคนในโลกนี้เป็นคนขัดสนมีสมบัติน้อยมีโภคาน้อยเจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะเช่นนี้สามารถที่จะฆ่าจองจำหรือเผาคนลักแกะหรือทำตามที่เขาปรารถนาได้แต่เจ้าของแกะ หรือคนฆ่าแกะที่สามารถที่จะไม่ฆ่าไม่จองจําหรือเผาคนลักแกะหรือทําตามที่ตนปรารถนาได้คือเจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะเช่นไรคือเจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะบางคนในโลกนี้เป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภกามากเป็นพระราชา หรือมหาอมาตย์ของพระราชาเจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะเช่นนี้จะไม่จองจำหรือเผาคนลักแกะหรือทาตามที่ตนปรารถนาได้แต่แท้ที่จริงคนที่จะประนมมือย่อมขอต่อเจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะว่าขอท่านจงให้แกะหรือทรัพย์ที่มีมูลค่าเท่ากับแกะนี้ แก่ฉันด้วยเถิดข้อนี้ฉันใด้ก้อนนั้นเหมือนกันคือบุคคลบางคนในโลกนี้ทําบาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อยเช่นนั้นบาปกรรมนั้นนําเขาไปสู่นรกได้ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ทําบาปกรรมเพียงเล็กน้อยเช่นนั้นแลบาปกรรมนั้นให้ผลในปัจจุบันเท่านั้นไม่ให้ผลในภพต่อไป แม้แต่น้อยไม่จาเป็นต้องพูดถึงผลบนันเนินมากก็บุคคลที่ทำบาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อยบาปกรรมนั้นนาเขาไปสู่นรกได้นั้นคือบุคคลที่ไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญามีคุณน้อยมีอัตภาพน้อยมักอยู่เป็นทุกข์เพราะ ผลกรรมเล็กน้อยบุคคลเช่นนี้แหละทำบาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อยบาปกรรมนั้นย่อมนําเขาไปสู่นรกได้ส่วนบุคคลที่ทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อยเหมือนกันแลบาปกรรมนั้นให้ผลในปัจจุบันอย่างเบาบางเท่านั้นไม่ให้ผลแม้แต่น้อยในอัตภาพต่อๆไป ไม่ต้องพูดถึงผลเป็นนันมากคือบุคคลที่มีการเจริญกายการเจริญศีลการเจริญจิตการเจริญปัญญาแล้วมีคุณไม่น้อยมีอัตภาพใหญ่มีอัปปมั น, นาวิหารบุคคลเช่นนี้ทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อยเช่นนั้นแลบาปกรรมนั้นให้ผลแต่เพียงเล็กน้อย ในปัจจุบันนี้เท่านั้นไม่เห้ผลแม้แต่น้อยในพบต่อไปไม่ต้องพูดถึงการให้ผลเป็นนันมากพิสุตตนายบุคคลผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุคคลใดทำกรรมไว้อย่างใดๆเขาต้องได้เสวยกรรมนั้นอย่างนั้นๆเมื่อเป็นเช่นนี้การอยู่ประพฤติปรมาจัน ย่อมมีไม่ได้โอกาสที่จะทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบย่อมไม่ปรากฏส่วนผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุคคลใดทำกรรมที่จะต้องเสวยผลไว้อย่างใดๆเขาต้องได้รับผลของกรรมนั้นอย่างนั้นๆเมื่อเป็นเช่นนี้การอยู่ประพฤติประมาจย่อมมีได้โอกาสที่จะทาที่สุดแห่งทุกโดยชอบ ย่อมปรากฏและนั่นคือโลนกะสูตรที่มาในอังคุตรนิกายเล่มที่ยี่สิบข้อที่ห้า้อยสี่ตมบูฟังฟังให้ดีๆนะความยุติธรรมเนี่ยมันไม่มีในโลกนี้มันไม่มีมีคนก็บอกว่าคุกเนี่ยเขาเอาไว้ขังคนจนมันจริงอย่างนั้นจริงๆนี่คือตัวอย่างที่รพระพุทธเจ้ายกมาให้ เปรียบเทียบให้ดูว่าคนที่ทําบาปกรรมเพียงเล็กน้อยเช่นขโมยเงินนิดนิดหน่นอยหน่อยแต่ไม่ได้จะเป็นเงินมากอะไรแต่กลับต้องไปติดคุกหัวโตถูกปรับมากมายเพราะอะไรก็เพ ร, เพราะว่าความที่เขาเป็นคนจนแต่คนร่ํารวยบางทีมีเรื่องเพราะเงินหลายแสนหลายล้านแต่กลับ ไม่ต้องไปติดกุ๊กเออเพราะอะไรก็เพราะว่ามีเงินมากเห็นดีว่าอันนี้มันคือเรื่องของบุญเรื่องของบาปโดยตรรมบัั่ ง, งว่าคนมีบุญน้อยหรือมีบาปมากมันก็จะต้องได้รับผลของบาปที่ทำไว้แม้แต่เล็กน้อยนั้นอย่างมากแต่ถ้ามีบุญมากมีบาปน้อยทําบาปกรรมในลักษณะแบบเดียวกัน ผลที่ได้รับนั้นกลับน้อยลงน้อยในปัจจุบันนี้ด้วยไม่ต้องพูดถึงว่าในภพต่อๆไปจะต้องได้ผลมากภบต่อๆไปนี่ยิ่งได้ผลน้อยลงไปอีกเพราะว่ามันให้ผลในปัจจุบันนี้อย่างน้อยแล้วพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเอาเกลือมาใส่ลงในขันน้อยใบหนึ่งในขันน้อยมีน้าเอาเกลือละลายลงไปน้าที่อยู่ในขันน้อยๆนั้นก็จะเค็ม เพราะว่ามีน้ำน้อยแต่ถ้าเอาเกลือขนาดก้อนเท่ากันไปใส่ในแม่น้ำคงคาโอ้ซึ่งมีน้ำมากจริงๆแม่น้ำคงคานั้นจะไม่เค็มเพราะว่าปริมาณน้ำที่มันมากเช่นด้วยการคนแบบไหนที่จะเปรียบเทียบนะว่าเป็นคนที่มีน้ำเป็นปริมาณมากมีเงินเป็นปริมาณมากมีแกะ เป็นปริมาณมากนั่นก็คือคนที่เจริญศีลเล่งดำวังเจริญศีลเจริญสมาธิคือเรื่องของจิตเจริญปัญญาเจริญเรื่องของกายคือมีสติไปในกายร่างสติเอาไวา้เห็นกายโดยความเป็นขวังไม่เที่ยงเนี่ยอันนี้คือลักษณะของคนที่มีอัตภาพใหญ่มีคุณอันใหญ่ เนะี่ยคือไม่ได้วัดที่เงินนะท่าฟังนะอันนี้คือในทางโลกในทางกฎหมายบางทีเขาก็จะมีกระบวนการของทางกฎหมายซึ่งทําให้คนที่มีอํานาจเงินเนี่ยก็จะได้เปรียบกว่าคนที่มีเงินน้อยในะกระบวนการทางโลกกระบวนการยุติธรรมมันเป็นแบบนั้นความยุติธรรม เ, เขาว่ากันว่ามีเนี่ยแต่ถ้ามองจากอีกมุมหนึ่งมันก็จะไม่มีถ้ามีการเปรียบเทียบอะไรกันขึ้นมา มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละอันนี้คือตัวอย่างเปรียบเทียบเฉยให้เรากลับมาถึงเรื่องของบุญเรื่องของบาปว่าคนที่เจริญกายคือมีสติอยู่ในกายมีศีลมีจิตมีปัญญามีคุณอันใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีเงินมากก็ได้ในชีวิตจริงในชีวิตจริงอาจจะมีเงินน้อยแต่ว่ามีศีลมีกําลังจิตมีสมาธิมีการตั้งสติเอาไว้อันนี้คือดีนะเป็นสิ่งที่ดี แต่ถึงแม้ว่าถ้าคนที่เขามีเงินมากใน ม, มีเงินมากนะในชีวิตจริงก็อาจจะมีเงินมากแต่ถ้าปบอกว่าเขาไม่เจริญกายไม่มีสติไปในกายศีลก็ไม่รักษาจิตก็ไม่เจริญไม่ได้รู้จักพิจรารณาเห็นตามที่เป็นจริงถึงแม้ก็จะมีเงินมากนะแต่ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีบุญน้อยอันนี้คือเป็นคนประมาทเป็นคนประมาทเพราะว่าความที่ตัวเองมีโภคทรัพย์มากเนี่ยแสดงถึงความที่มีบุญอยู่ละ นั่นคือมาสว่างแล้วแต่กลับทำตัวแบบไม่มีศีลไม่ทำสมาธิไม่รู้จักพิจารณาปัญญานี่คือมาสว่างแต่กลับไปมืดเนี่ยเป็นคนประมาทแต่ถ้าเรามีทรัพย์น้อยซึ่งในสังสารวัฏเนี่ยบางทีมันเกิดขึ้นได้คนที่มีคติไม่แน่นอนบางเดี๋ยวจะมีบุญมากก็จริงอะ่ะแต่มาเกิดในอัตภาพที่มีความเป็นอย่างนี้แต่เราก็เป็นผู้ไม่ประมาทในการที่จะเจริญกาย เจริญศีลเจริญจิตเจริญปัญญาทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นถึงแม้จะมามืดแต่ก็ไปสว่างได้ยิ่งถ้าเป็นคนที่มีทรัพย์มากมีรูปลอรูปสวยอันนี้คือมาสว่างแล้วแต่ก็ไปสว่างได้เป็นคนที่ไม่ประมาทในเรื่องนี้ธรรวังประสูตรที่ชื่อว่าโลนะกะเนี่ยเราจะต้องอ่านให้รัดกลุ่มรอบขอบไม่ใช่ว่าทำกรรมอะไรจะไม่ได้รับ ผลของมันต้องได้รับผลของมันอย่างแน่นอนผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งจะมีผลนะผลที่จะเกิดขึ้นนี้อาจจะผลในเวลาปัจจุบันบ้างในเวลาถัดๆมาบ้างให้ผลเป็นผลหนักบ้างให้ผลเป็นผลเบาบางขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยตามที่ว่ามานี้ว่าคุณมีบุญหรือคุณมีบาปอันไหนสัดส่วนมากน้อยกว่ากัน ไม่ใช่ว่าบุญมันจะไปลบบาปได้หรือบาปจะมาตัดบุญได้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าความหนักเบาเนี่ยมันจะให้ผลต่างกันนั่นคือถ้าสมมติเราทำกรรมชั่วมาคุณก็จะต้องได้รับผลของกรรมชั่วนั้นแน่นอนเช่นต่กฆ่ า, ายุงฆ่าสัตว์พวกนี้จะให้ผลนำไปตกนรกแต่ถ้าบอกว่าคุณมีบุญมากผลอย่างเบาๆเลยของการที่ฆ่าสัตว์เนี่ยก็จะทำให้มีอายุสั้น อย่างนี้เป็นต้นแต่มันก็จะมีความหนักมีความเบาและความหนักความเบาเนี่ยก็ยังต้องดูด้วยว่าจะให้ผลตอนนี้เลยไหมหรือจะให้ผลในเวลาต่อต่อไปหรือในเวลาต่อต่อไปอีกแต่ซึ่งต่อต่อไปนี้อาจจะหมายถึงให้ผลตอนแกในบรนปลายหรือว่าต่อต่อไปในชาติหน้าอันนี้มันหลายปัจจัยเหลือเกินท่าผู้ฟังเพราะว่ากรรมที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้มีอันเดียวเพราะฉะนั้นถ้าในเรื่องผลของกรรม เราจะมางงเตกอะว่าเอ๊ะทำไมฉันทําดีแล้วเป็นยังเป็นอย่างนี้มันทําไมอย่างงี้กรรมไม่มีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณอย่าไปคิดอย่างนั้นแต่ถ้าไปคิดอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่ทําให้การประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ผลทําให้การทําที่สุดแห่งทุกเนี่ยมันปรากฏขึ้นไม่ได้แต่เรามีความเชื่อแต่จะมาหวังให้มีความมั่นใจให้มีความลงใจว่ากรรมที่เราทําต้องได้รับผล ของกรรมนั้นแน่ๆอย่าไปเพ่งดูคนอื่นว่าอุ้ยเนี่ยเขาทํากรรมชั่วเขาจะต้องได้ชั่วแต่ว่าทําไมเขายังได้ดีอยู่ก็เลยมาเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้อันนี้จะทําให้เราเป็นประสาทเปล่าๆเพราะว่าเรื่องผลของกรรมคือวิบากของกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดเป็นอจินไตสิ่งที่เราควรจะมีความเชื่อมีความมั่นใจมีความลงใจก็คือว่าผลจะต้องเกิดขึ้นแน่แต่ผลอาจจะเกิดขึ้น ในปัจจุบันนี้หรือในเวลาต่อๆไปผลที่อาจจะเกิดขึ้นอาจจะหนักบ้างอาจจะเบาบ้างตามบาราที่แตกต่างกันเมื่อเราทราบข้อมูลนี้ศึกษาตัวยางทำความเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วให้เป็นคนที่มีอัตภาพใหญ่ให้เป็นคนที่มีคุณ น, นันใหญ่โดยการที่ตั้งสติเอาไว้โดยการที่ฝึกให้เป็นคนมีศีลให้เป็นคนมีจิตที่มีพลัง ให้เป็นคนที่มีปัญญาบุญที่เราสะสมไว้ธรรมบังให้ผลแน่นอนผลที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นความหวานความหอมความชุ่มฉ่ำผลจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทำไมมันไม่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้สักทีมันอาจจะยังมีกรรมอื่นให้ผลอยู่ันแล้วถ้ากรรมดีที่เราทำในธรรมฟังมันเกิดผลในอัตภาพต่อๆไปมันก็จะทบต้นให้ด้วยนะมันก็จะเป็นผลที่ดี เรื่องของศีลที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นไปเพื่อโพคาเนี่ยโภคาจะอาจจะไม่ได้เกิดในปัจจุบันแต่ว่าศีลทั้งบ่ฟังจะทาให้เป็นไปเพื่อโภคาของพวกเทวดาเป็นโภคาของพวกเทพเทวดาซึ่งจะมีความละเอียดมีความประณีตกว่าของมนุษย์มากซึ่งมันจะไม่ได้มีในอาตภาพที่เป็นของมนุษย์นี้ได้เช่นว่าอาหารทิพที่อยู่เป็นทิพพวกเนี้ยมันจะมาอยู่ในอาตภาพความเป็นมนุษย์ไม่ได้ ก็จะต้องไปรอให้ผลในอัตภาพที่เป็นเทวดานั้นในอัตภาพต่อๆไปอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะดีกว่าแต่ถ้าคุณจะกินตอนเนี้ยเหมือนพวกอัตราดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยคุณจะเอาตอนนี้คุณก็ได้นิดนึงแต่ถ้าคุณรอต่อๆไปดอกเบี้ยมันสูงขึ้นดีขึ้นประเด็นคือเราไม่หยุดสะสมความดีตามวั ง, งความดีนั้นเราต้องสะสมอยู่เรื่อยๆให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการทําความดี ความชั่วก็ประมาทไม่ได้ตาูหวังความชั่วใครคิดว่านิดๆหน่อยๆแม้ทำแล้วมันอาจจะไม่ให้ผลอะไรสะสมสะสมเนี่ยมันก็เป็นผลมากได้ความดีก็เหมือนกันแต่คิดว่าความดีนิดๆหน่อยๆทำมันไม่มีอะไรหรอกเช่นกวาดลานวาดัดหรือว่าใส่บาตรนิดหน่อยอ้มไม่ได้เป็นผลอะไรไม่ใช่นะความดีสะสมสะสมมันก็มีผลมากขึ้นมาได้เราไม่ประมาทในการทาความดี ไม่ประมาณในการระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นเราจะเป็นผู้ที่จะเรินอยู่ในธรรมวินัยนี้ธรมะฝังบุคคลที่มีความเชื่อเรื่องผลของบาปมีความเชื่อเรื่องผลของบุญเนี่ยเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิในทางเบื้องต้นอย่างนี้แล้วสามารถที่จะทำความเข้าใจในอริยสัจสี่ทำสัมมาทิฏฐิในส่วนที่เป็นไปเพื่อความเหนือโลกให้เกิดขึ้นได้ เราสามารถที่จะทำที่สุดแห่งทุกให้เกิดขึ้นได้นั่นเองนี่คือเรื่องราวที่มานำเสนอให้ทันบูฟังฟังในวันนี้โลนะกะสูตรเวลาโมลาทันบูฟังข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญหะพิปุญโนจากวัดป่าดอนไฮโเจริญ่ปอน